ถ้าเต็มใจทาสิ่งที่เกินความคาดหวังของคนรักเรามักเห็นอะไรดีๆเกินความคาดหวังทั้งจากความรู้สึกด้านดีของตนเองและการเปลี่ยนแปลงในทางดีของคนรักแปลกแต่จริงคนเรามักคาดหวังให้คนรักเป็นอะไรที่เขาเป็นให้ไม่ได้แยกไม่ออกว่าความหวังที่เกิดขึ้นในหัว ไม่อาจเป็นความจริงที่เกิดขึ้นในตัวคนรักได้เลยเมื่อพบว่าคนรักในหัวไม่ตรงกันกับคนรักตัวจริงธรรมดาย่อมเกิดความรู้สึกไม่ได้อย่างใจและธรรมดาของความรู้สึกไม่ได้อย่างใจนั้นพอสะสมมากเข้าถึงจุดหนึ่งก็กลายเป็นจุดบอดในความทรงจากลายเป็นความรู้สึกไม่พอใจอย่างแรงหรือกระทั่งกลายเป็นอารมณ์กลียดชังกันก็ได้ แปลกแต่จริงถ้าเต็มใจทาสิ่งที่เกินความคาดหวังของคนรักเรามักเห็นอะไรดีๆเกินความคาดหวังทั้งจากความรู้สึกด้านดีของตนเองและจากการเปลี่ยนแปลงในทางดีของคนรักหลังจากช่วยโอกาสที่ใกล้ชิดกันเรียนรู้ความพอใจของเขาช่วยให้เขาได้สิ่งที่อยากได้เราจะเกิดความรู้สึกได้อย่่งใจแบบคนประสบความสาเร็จที่น่าภูมิใจ และธรรมดาของความรู้สึกภูมิใจพอสะสมมากเข้าถึงจุดหนึ่งก็กลายเป็นประกยความสว่างทางความจำกลายเป็นความพอใจที่อ่อนโยนหรือกระทั่งกลายเป็นสุขล้นหลามเลยก็ได้อย่างไรก็ตามคู่บุญคือคู่ที่เต็มใจจะอยู่บนเส้นทางบุญร่วมกันตบมือข้างเดียวไม่เคยดังอย่าหวังว่า ไปเรื่อยๆเราจะดังได้เองเพราะความเพียรของเราฝ่ายเดียวคาดหวังคนอื่นมากในที่สุดจะบีบคั้นหัวใจเขามากไม่ทางตรงก็ทางอ้อมดีเกินคนอื่นคาดในที่สุดจะได้ใจเขาเกินคาดและเห็นเขาดีตอบเกินกว่าที่คิด